รับน้ำแต่องค์พระตระหะไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอบกลับครับราว่าพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์กกรจยัดชยัยและพระอาจารย์สุรินแล ะ, ะพระเถลานุเทละและเพื่อนศัตด์ธรรมมิตรตูรุภครับจเจริญพรมายัางแม่ชีและญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่งตามสบายนะครับวันนี้คงจะเป็นการพูดเล่าสู่กันฟังนะจะถือว่าเป็นการเทศนะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นแย่งที่อาจารย์สุรินบอกว่าเป็นครั้งแรกวันนีสามสิบนาทีนี่นานนะนะฮะก็จะเล่าถึงเรื่องของวัดของเรานะวัดป่าสุขโตในเรื่องของอารมณ์เรามาอยู่ที่วัดป่าสุขโตเราตั้งใจมามีช่างภาพนะวันนี้นะฮะทเตรียมทำข่าวก็เป็นอย่างงี้ฮนะพอพระหน้าตาดีจับไมล์เอาเข้าเรื่องดีกว่า พระสุกโตเรามาที่นี่เนี่ยเราตั้งใจมาทําอะไรอย่างที่พูดไว้เมื่อตอนเช้านะที่ใครที่อยู่สารหน้าก็จะรู้ว่าฉันมาทําอะไรที่พระชาสารงสินได้ทําป้ายไว้บางครั้งเรามาอยู่นาจนลืมแล้วเรามาทําอะไรเคือทําครัวสะเพริญก็มีบางคนแต่ ก, ก, ก็ก็ไม่ถึงกับปล่อยปะละเลยในเรื่องของการปฏิบัติเวลาทําครัวถ้าก็ปฏิบัติไปด้วยที่นี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินอกรูปแบบ นะครับอย่างเวลาเราเก็บอารมณ์แล้วขอเก็บอารมณ์10บวันสิบห้าวันนะเครียดไหมใครใครเก็บอารมณ์สี่วันมั่งในนี้ตรงนี้ข้างหน้ามีไหมครับที่นั่งอยู่มีนะมีไหมมีแม่ชีดาแม่ชีดาพอดีเพิ่งบวชนะีตอนนั้นเก็บอารมณ์เป็นโยมเครียดไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าที่นี่นี่บางคนถ้าเคิร์นมาคนมาครั้งแรกเนาะอาจจะบอกว่า เขาไม่เห็นสอนอะไรเลยที่นี่ไม่หนมีพระคอยตามสอนเลยนอกจากเวลามีคลอดเนาะที่นี่เราเหมือนมหาลาัยเปิดนะครับก็เหมือนกับเราเรียนอนุบาล น, นะมาปถมที่นี่เราเหมือนเปรียบเทียบเป็นมหาวิทยาลายัยเราต้องปฏิบัติสิบสี่จังหวะไม่ยากหนึ่งนาทีจำได้เลยเนาะใครยังยกมือไม่เป็นตรงนี้มีไหมสิบสี่จังหวะนะหา บ, บางคมเราก็ยกไปทาไม เคยนั่งหลับตาเฉยๆสบายใจนะลองเปลี่ยนลองวางความคิดเก่าตรงนั้นนะโอ้เอาวางไว้ถอดทิ้งก่อนถอดวางไว้และลองมาปฏิบตัติยกมือ14จังหวะยกไปทําอะไรอันนี้14จังหวะนี้คือไม่เหมือนกระดาษสายหยาบนั่นแหละคือให้เราทําความเพียร น, นะครับให้เราทําความเพียรติดตรงไหนคลองใจตรงไหนพระอาจารย์ท่านอยู่ที่กุฏิ หรือว่าอยู่ที่สารนาเจอตรงไหนถามท่านได้นะก็มีพระอาจารย์หลายรูปนะครับเจอก็ถามแต่ถามให้ทุกคนจะไปถึ่งไปถามพระใหม่ท่านั้นนะเดี๋ยวท่านฝ mm hmm. อยเราเพลินเลยทีนี้นะเหมือนก็นอาจจะมาอย่างเงี้ยถามแล้วก็เดี๋ยวฝอยเพลิน mm hmm. ก็เข้าเรื่องต่อบอกว่าฉันมาทําอะไรบางคนอยู่ที่นี่ตอนแรกมาตั้งใจตั้งใจมากตั้งใจเดี๋ยนี้เราจิตเรามันส่งออกนอกอยู่ตลอด ตั้งแต่เราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจิตเราจะส่งออกข้างนอกปฏิบัติไปปฏิบัติมามันไม่ได้ดูตัวเองแล้วลืมไปดูผู้อื่นขอดูนี่คนนั้นทําไมไม่ทํำไม่ปฏิบัติทําไมคนนี้ไม่ทําำกลับกลายเป็นแทนที่เราจะเตือนตัวเราเรากลับเดินไปเตือนเขานี่เธอทำไมไม่ปฏิบัตินี่แหละตัวหลงแล้วหลงเพราะเรานปฏิบัติเก่ง ให้ฉันปฏิบัติอยู่ตลอดทําไมเธอไม่ปฏิบัติล่ะไปชวนกันคุยอีกทีนี้ทางโู้นก็เราไม่รู้หรอกเขาอาจจะปฏิบัตินอกรูปแบบอยู่เนาะเราไปชวนก็คุยทีนี้ต่างคนต่างไม่ได้ปฏิบัติเลยทีนี้ทีนี้เพลินฟุ้งลงไปเลยนะฮะก็มีหลายๆก็มีหลายๆคนที่เป็นเช่นนั้นอาการเช่นนั้นเวลาเราเกิดอาการต้นเนี้ยเราก็ต้องดูรีบกลับมาหาอยู่กับตัวเองบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเรามาดู เรื่องของการที่ใครจะทําหรือใครไม่ทําเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านสอดส่องดูแลอยู่แล้วแต่ว่าเร า, เราปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะบางคนบอกว่าเก็บอารมณ์จะจะเห็นจะเห็นได้เลยว่าพระของเรามางทีบอกเก็บอารมณ์ไม่ทําบัตรเลยสบายละชันอันนี้คือการการทําที่ผิดนะบางทีบอกว่าไม่ขึ้นมาทําจนเราไม่รู้ ว, ว่าติดอารมณ์อยู่อะไรบางทีพระอาจารย์ท่านเทศอยู่ ท่นเทพอาจจะไปโดนตรงกับเราอารมณ์ของเรามันจะได้กระจ่างขึ้นเหมือนกับการติดอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเดินทางอ้อมไปแล้วก็เหมือนกับเราจะเราจะเราอยู่ที่วัดป่าสุกโตเราจะไปเชียงใหม่ฉันขอไปตั้งหลักกรุงเทพก่อนนะเราถึงจะขึ้นมาเชียงใหม่แต่จริงๆแล้วมันมีทางลัดที่จะไปตรงสายตรงได้เลยใช่ไหมครัก็เหมือนกับเรื่องของสมถะกับวิปัสสนาวิปัสสนาของเราก็จะเป็นทางสายตรงสมถะอาตมาฝึกอยู่ อยู่ที่อ่างทองนั่นสองปีนะฝึกนั่งทั้งสมถะทั้งคาถาแหละเล่นหมดแหละฉันมีอะไรมาเล่นอยู่คาถาอยู่นั่งอยู่สักทั้งวันนั่งจนปวดหลังปวดขาจนขาแทบเดินไม่ได้ไปหาหมอหมอที่โรงพยาบาลสาวให้นะหมอต้องมารับตัวไปตอนนั้นจะเพียรในเรื่องของของรเรื่องของกระสินหมอต้องมารับตัวไป สายตานี่ไปหมดเลยตอนนั้นสายตาเรียกว่ามาก่อนไม่ใส่แว่นถ้าใครเคยเห็นนักรรมมาแรกๆจะไม่ใส่แว่นตอนหลังต้องมาใส่แว่นแล้วมันมันเป็นโทษนะคือเราเดินทางผิดแค่นั้นเองแต่ถามว่าดีไหมมันก็มีในข้อดีแล้วทีนี้ก็มาเข้าเรื่องต่อในเรื่องของการปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตถ้าเราจะมาวัาวนแรกนะม า, าอาจารย์ไพศาลเราให้มาเรามามาเจออาจารย์พระณชัย ครั้งแรกอาจารย์เปตสารติดต่อพระอาจารย์ตุ้มไม่ให้แล้วก็มาเจออาจารย์บ ร, รณชัยอาจารย์ตุ้มไม่อยู่แต่กว่าจะหลุดเข้ามานี่ได้นะมันทําใจยากนะบุญเกือบไม่ถึงเหมือนกันฉันไม่อยากมาหรอกโดยส่วนตัวแล้วกับพระอาจารย์เปตสารนี่รู้จักกันรู้จักท่านตั้งแต่ตอนเป็นค า, ารวะตอนอาตมาเป็นค า, ารวะนะก็อาจารย์บอกว่าให้ขึ้นมาตั้งแต่พรรษาแรกแเราเราไม่ชอบในเรื่องของมาอะไรหรอมายกมือมาทำอะไรไม่เอา ไม่ชอบ <c oughs> นะ <c oughs> ก็ชอบแบบสายเวทมนต์คาถาอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนบวชครั้งแรกอะ่ะก็เคยเคยไปอยู่ที่วัดนั้นกเเาา็เรื่องคาถาเรื่องนะั้นะเมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้นะก็เลยชอบแล้วก็ติดพระอาจารย์ท่านด้วยนะแล้นก็เป็นคนใจดีมีนคนมีเมตตามันกันนะในเรื่องแล้วก็ไปห่วงท่านจนจนเคยแบบร้องผมร้องไห้นะเพราะว่าไปติดในเรื่องของอาร ม, ารมณ์อารมณ์อันไหนเหราทำวัด หลายๆคนอาจจะงงคือ อ, อยู่นี่หลวงพี่โกก็ไม่เคยเห็นหน้าเนี่ย <c oughs> ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการทําวัดการปฏิบัติตัวเป็นพระที่ดีเขาเรียกว่าติดดีใครปรึกษาพระอาจารย์ท่านบอกไปติดดีคือคนอื่นต้องเป็นเหมือนฉันน่ะฉันทําวัดเธอต้องมาทําด้วยต้องดึงฉันฉันต้องไปดึงไปเรียกไปปลุกไปเคาะคือเราหวังดีกับเขาดีไหมล่ะดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า หลงไปเรื่องของติดดีอาจารย์บอกว่าในเรื่องเนไปติดดีเราเอาเป็นคนดีไม่ดีแล้วเคยอาจารย์ก็อธิบายว่าการติดดีคือเราหวังดีกับเข า, เาหวังได้แต่ไม่ต้องไปยึดมั่นว่าเขาจะต้องเป็นคนดีในอย่างที่เราหวังเนาะเขาเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่เราอยากให้เขาดีนะ่ะไปทำวัดเร็วทีสามครึ่งเียดทุกเคาะทุกกุฏิ ขชันมตนัต้องทําวัดกับชั้นต้องทํางานปฏิบัติทุกอย่างเหมือนชั้นคุณต้องทําเหมือนผมทั้งหมดถ้าคุณไม่ทําเหมือนผมผมต้องเอาเรื่องอย่างนี้ไปติดดีเขาเกิดจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนได้เพราะว่าไปหวังในตัวเขามากว่าเอออยากให้เขาเป็นคนดีแต่อ น, นี้ก็ในเรื่องของติดดีก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองกลายเป็นคนเลวในใสายตาเขาซะและ้ว <c oughs> น, นะก็ก็เลยอย่าไปหลงในเรื่องของติดดีเป็นคนดีดีได้นะครับ ก็อยากจะอยากให้ทุกคนเนี่ย เ, เวลาเราเราปฏิบัติเราพยายามมองตัวเรามองตัวเราเองการเข้ามาอยู่ในวัดเรามีเวลา2ี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันทั้งหมดที่วัดนี้เราเปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาที่นี่แล้วกว่ากว่าจะมาถึงวัดได้เนี่ยต้องเคลียร์งานเคลียร์ลูกเคลียร์ลูกได้แล้ว ออมาเคลียร์ต้องเคลียร์หลานอีกทีนี้นะเพรากว่าจะรอลูกโตกว่าจะมาวัดได้ก็ต้องพอลูกโตแล้วลูกมีหลานให้อีกอา้าวติดหลานซะอีกทีนี้ไม่มีเวลาเข้าวัดบางคนบอกว่าโอ้โหอยากจะเข้าวัดเหลือเกินไม่มีเวลาเลยอยากจะเข้าวัดเหลือเกินไม่มีตังเลยเคยเจออย่างนี้นะบินทบาตเนี่ยเดินถามโยไม่มาวัดเลยทียนี้ไม่มีตังเลยนั่นก็มีอา้าววัดเราเราต้องเสียตังด้วยเหรอ เขาวัดจะต้องเสียงเงินด้วยเหรอก็เคยมีถ้าเชนั้นเนี่ยพอเรามาแล้วมีเวลาแล้วบางคนมีเวลาวันเดียวบางคนมีเวลาสองวันสามวันก็แล้วแต่บางคนนี่หลวงพ่อโยมแม่หลวงพี่แก้วนี่ก็เห็นลูกชายมาบวชก็เข้ามาวัดหาเวลามาเนี่ยพอที่มาแล้วเนี่ยอย่าไปห่วงลูกชายนะทีนี้พระลูกชายก็ท่านปฏิบัติของท่านดีอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติของเราเหมือนทําเป็นคนไม่รู้จักกันเพราะว่า โมจะไปห่วงเราจะปฏิบัติแต่โมไปห่วงพระลูกชายเดินปฏิบัติหรือเปล่านะไม่ต้องเลยทีนี้เราปฏิบัติของเราถามว่า24ชั่วโมงของเราที่เราอยู่ที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะที่นี่เราไม่ไปบังคับให้มาช่วยกันทํางานแต่ถามว่าไปทํางานเราปฏิบัติได้ไหมก็ได้เนะเราช่วยกันทําทําทุกอย่างที่นี่เรา หลวงพ่อบอกแล้วเราอยู่กันเหมือนครอบครัวใช่ไหมฮะเราเป็นญาติกันทั้งหมดทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าคนนู้นไม่ทำงานเลยไม่ช่วยงานเลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจให้เขาอนุโมทนาเว่าอนุโมทนาสาธุกขาอาจจะปฏิบัติอยู่แล้วก็สาธุไปด้วยแต่ถ้าไม่มีใครทำงานเลยนี่เดี๋ยวอาตมาก็ต้องลงไปช่วยกันทำเนะแล้วก็ต้องช่วยกันด้วยเวลาต้องแบ่งเวลา แต่เวลาตองบอกว่าเวลาทํา ง, งานของเราเราก็ปฏิบัติได้บอกว่าเอในครัวไม่ทํางานเอทรงานกันไม่เคยเห็นมาปฏิบัติในครัวหลายคนอยู่ที่นี่นานๆเ่าอา จ, จะปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมาเป็นปีแล้วก็ทีนี้ก็ถึงเวลาครอบครัวก็ปฏิบัติอยู่ในครัวก็ทําได้เหมือนก็ถ้าใครเคยฟังเทศของพระอาจารย์ใบสารพระอาจารย์ก็จะเคยเล่าว่ามีแม่ชีที่ว่าปฏิบัติแล้วเออเรียกว่าเห็นธรรมเนี่ย อยู่ในครัวใช่ไหมครับอาจารย์เคลมิเนาะกาดถิ่นที่พระอาจารย์ยพระอาจารย์ไพศาลเคยเล่าไว้อัตมาก็าจำไม่ได้เราพระใครเขาเนี่ลกลืมในชื่อสัญญาไม่ดี <c oughs> ในอย่างที่เราสวดกันเมื่อกี้ที่นี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเวลาเรามาปฏิบัติที่นี่ในเรื่องของเวลาอย่าลืมเจอป้ายตรงไหนเตือนตัวเองตอนนี้ลานหินโค้ ง, งว่างอยู่ตรงนั้นจะมีอนุภาพ อนุภาพอะไรครับอนุภาพของการปฏิบัติที่หลายๆคนจะต้องมาปฏิบัติอยู่ตรงนั้นมีหลวงพ่อคําเขียนคอยเฝ้าดูเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช้ได้พื้นที่ที่ลานโค้ ง, งใช้ได้ไม่ต้องโดยไม่ต้องขออนุญาตในวัดนี่ปฏิบัติได้ทุกที่ข้างหลังเราเดินได้สถานที่เราสปาัปยหระสะดวกสบายมากที่พักเราก็มีใหนะ้ที่นอนก็มีนอนเขาได้ข่าวว่าห้องโยมมีบางห้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นซะด้วย นเห็นไหมเพราะว่าของโยมไม่ได้คําพระมีไม่ได้นะเพราะว่า mm. เขาบอกว่าเขาเคยมีพระมาถามหลวงพี่ทำไมของโยมเขามีน้ําร้อนได้น้ำพระไม่ติดไม่ได้นะบอกไม่ได้หรอกเขาว่าเดี๋ยวโดนไฟดูดแล้วก็บอกไปอย่างนี้นะเนียพราะาไม่อยากให้พระสบายกันมากแต่โยมนี่มาไม่กี่วันจริงๆแล้วที่เนี่ยถ้าใครเคยมาหน้าหนาวหนาวมากหนาวจน กี่องศานะ11องศานะใช่ไหมครับยังสิบเอ็องศาอยู่ที่นี่หนาวแบบมันมันเป็นความชื้นนะฮะก็ลองมาลองอยู่ลองอยู่ที่นี่ว่าที่นี่เนี่ยเขาปฏิบัติกันแล้วเขาเกิดอะไรจะเห็นบางทีแม่ชีเนี่ยแ ก, แก่แม่เพียรเนี่ยสาปีแล้วมั้งแม่เพียน30ปีน่าจะได้เนาะหรือมากกว่านั้ น, นอาตมาก็จำไม่ได้ชอบชอบไปแย่ ชอบแจกคนแก่นะด้วยส่วนตัวเพื่อให้เขาแบบโมโหโมโหนิดๆอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ให้เขามีกำลังแต่แม่เพียงไม่เคยโกรธนะเนาะไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหบางครั้งเราเนี่ยอยู่นานในเรื่องของตัวโมโหเนี่ยเราคิดว่าเราเราเราได้ทำแล้วเราไม่โมโหแล้วเราไม่โกรธแล้วมันเป็นไปไม่ได้เราเราโดนหลอกอีกแล้วนี่บางทีถ้าเราทะเลาะกันเองเนี่ย เราเราต้องเตือนตัวเตือนตัวเราเองซึ่งกันและกันอย่างที่เมื่อเช้านี้บอกไปแล้ว่าตัวโกรธเนี่ยมันเป็นตัวขี้อายพอเรารู้ว่าเราโกรธเนี่ยพอรู้ตัวเองว่าโกรธอยู่เนี่ยมันจะหายทันทีเลยรู้ว่าตัวเองโมโหอยู่เนี่ยมันจะหายทันทีเลยจะสังเกตได้หรือว่าคนที่คนภายนอกที่ว่าติด เ, เขาเรียกว่าโดนดำเนินคดีในเรื่องของการทะเลาะวิวาสเนี่ย มันมาจากไหนละอารมณ์ช่วบู๊กแค่ น, นั้นเองเนะใช่ไหมฮะอารมณ์โช่วบู๊ถามว่าเราถึงจะต้องมีการปฏิบัติในเรื่องของการเจริญสติลืมตาดูว่าโบกภายนอกเกิดอะไรขึ้นถ้าโมแต่เรานั่งรู้ละเมื่อก่อนอาตมานั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยหลับตาเนี่ยโอ้ยสบายนะพอนั่งหลับตาอยู่คนเดียวเนี่ยสบายนั่งอยู่ในวิหารนะ นั่งอยู่ในวิหารนี่หลับตาสบายไม่มีเสียงอะไรมารบกวนโอ้โหพอลืมตาออกมามาดูโลกภายนอกเขาโอ้โหพอแค่ออกมาดะหมาก็เหา่าแล้วเราก็เกิดความลำคาญแล้วโอ้โหที่ฉันเป็นพระยังมาเห่าฉันอีกเหรอนั่นก็ยังเคยมีว่าหือมีตัวตนว่าเฮ้ยฉันเป็นพระมาเห่าฉันนะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้น แต่ที่ที่ให้เรามาฝึกอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรื่องของอัตราในเรื่องของความโมโหลดลงมาเพราะว่าเวลาเรายกมือขยับไปไม่ต้องไปเพ่งมันนะเพ่งมันแล้วปวดตาปวดหัวเลยนะอาจารย์สมใจอาจจะเคยสอนพวกเราแล้ยนะบางคนยกไปเถอะแต่อย่าไปยกแบบเร็วๆจนที่คนยกเร็วได้เนี่ยเพราะว่าเขาฝึกมานานนะแรกๆเรายกชา้าๆให้มันมีจังหวะหยุดหยุดอะไร หยุดดให้รู้จักยับย่างใจพ อ, ต, อต่อไปเนี่ยมันจะรู้ว่าเราจะรู้จักยับย่างใจไว้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดจะมีในของหมู่บ้านพรมซึ่งมีพระเราในที่นี้ก็มีเคยไปนะหมู่บ้านเขาพอได้ยินเสียงระฆังเป้งทุกอย่างจะต้องหยุดคุณจะเดินหรือว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามทุกอย่างจะต้องหยุดเพื่อรอสัญญาณ ไม่แล้วถึงจะทําต่อได้เพื่อให้รู้จักการยับยั้งใจไม่เกิดอารมณ์ชัว่วผู้ให้รู้จักเท่าทันในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเทศไม่ค่อยเก่งจริงๆในกามองเวลาเนี่ยว่าจะหมด <c oughs> นะโยมอาจจะราคาญนิดนึงว่าเอ๊ทำไมแต่ไม่เป็นไรพูดไปก่อนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกฝึกให้ถูกทางพยายามพยายามสักสองสามวันมาคุยกับปึกพระอาจารย์ท่าน บางทีเห็นบรรดนไม่มีโยมมาคุยพระอาจารย์นั่นเลยนะอาจารย์พระนชัยจะอยู่นอกห้องตลอดก็ไม่มีใครไม่ค่อยเห็นใครเข้าไปถามในเรื่องของเวลาปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสภาวะอะไรนะไม่ต้องไปสงสัยมันก่อนแต่ทำไปทำไปเรื่อยๆทําให้มันเป็นลูกโซ่ทําให้ต่อเนื่องนะที่ทําให้ต่อเนื่องนี่หมายหมายถึงว่าอย่างที่หลวงปู่เทียนบอกว่าไม่เกินเจวันที่ต่อเนื่องนะแม้เราจะนั่ง จะยืนจะเดินจะนอนต้องให้ทำอยู่ตลอดใช่ไหมอย่าให้สติมันหลุดอย่าให้มันขาดไปพอมันขาดไปเท่ากับเรานันับหนึ่งใหม่อย่างวันนี้ปฏิบัติได้ดีนะพอปฏิบัติได้ดีเพราะอะไรเราไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้คิดอะไรพอวันที่สองไปติดในเรื่องของอารมณ์อ ย, บบ อ, อยากจะปฏิบัติได้ดีแบบวันนั้นอีกอยากจะปฏิบัติได้ดีแบบวันนั้นแบเหมือนเมื่อวานตั้งใจอยา่างนี้ทีนี้ตั้งใจ ตั้งใจมากจน like ไปกลับกลายเป็นเป็นเรื่องของไปการเพ่งใช่ไหมฮะพอไปเพ่ง <lonely> ม <sm> ันมันก็จะเป็นในเรื่องของสมถะแล้วทีนี้ออกไปเป็นเรื่องของสมถะก็ปล่อยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเถอะคิดว่าบางคนบอกว่าพอทําอย่างนี้เหมือนปัดยุงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอกนะแต่มันก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นนะถามเมื่อเมื่อยไหมมันก็เมื่อยแหละเราเห็นก่อนเลยพยายามดูนะดู แต่อาตมาในยกมือได้ไม่เกิน5นาทีแล้วตัวทีนเข้าเลยทีนนิมิทาเปนเข้าแล้วเริ่มง่วงแล้วของง่วงทําไงอ่ะนอนไม่ใช่นะยกมือเรายกมือไม่ได้เราก็ยกมือ อ, อีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยเดินนะฮะเดินเพราว่าเหมือนกับที่หลวงปู่บอกไว้ว่าเวลานั่งอย่าเพิ่งนั่งอยากนั่งอย่าเพิ่งนั่งไม่ใช่พอคิดจะนั่งปุ๊บนั่งเลย ่อยไปเดินไปอีกเดินไปสักสองสานาทีแล้วค่อยนั่งแล้วก็เวลาเนาะเวลาจะนั่งอย่าเพิ่งรีบนั่งเวลาจะเดินอย่าเพิ่งรีบเดินเดินช้าบ้างเร็วบ้างบางคนก็เดินถอยหลังก็มีนะเห็นเห็นบางทีตามคอร์สตามยมเยอะๆก็มีบางคนก็เดินถอยหลั ง, นะตต ง, ลงแต่บางคนก็เคยมีมาถามว่าเอาเดินถอยหลังในในในพระสูตรมีด้วยเหรอมีในตำรามีด้วยเหรอบอกไม่มีแต่เราเดินได้ เราเดินสร้างความเคลื่อนไหวเพราะว่าเรามาแนวเคลื่อนไหวนะเราดูว่าอย่างสายาใครไปเดินเคยสายผ่องยุบมั้งย่างหนอพ้องหนอก้าวหนอเนี่ยจะไปเดินไทยหลังไม่ได้เนาะเขาไม่ให้พระจารย์ท่านไม่ยอมแต่อของเราทําได้ทุกรูปแบบจะทําจะเดินเร็วๆหรือจะเดินช้าๆช้าบ้างเร็วบ้างให้มันอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดะนะ มีอารมณ์ดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกบ้างสบายบ้างเนี่ยเราต้องต้องคอยดูดูรู้มันว่าตอนนี้เราอารมณ์มันเกิดอารมณ์อะไรกับเราเนี่ ย, ยทุกๆวันนี้ใช่ไหมฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้กันดีกว่ามั้งนะแล้วก็จะเริ่มเบื่อหน่ายกันแล้แต่ว่าอาจารย์าพูดไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เรื่องการปฏิบัติแต่ก็ ฟังไว้บ้างเพราะก็ได้ยินได้ฟังมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะจากประสบการณ์ตัวเองบ้างจากพระอาจารย์ที่ท่านพูดบ้างจริงๆริแล้วเนี่ยยังพอมีเวลาให้กับพระที่ที่แลเก็บอารมณ์ในปักที่แล้วสัก5นาะทีสักรูปถึงดีไหมดีไหมจังดได้ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าท่าน เ, เก็บอารมณ์มาเนี่ยเขาอยากจะท่านก็อยากจะจะพูดว่าสภาวะที่ท่านเก็บอารมณ์มาหมันหมนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้าง ไอ้เพื่อเมื่อปักที่แล้วไม่รู้ว่ามีใครเก็บบ้างหลวงพี่อะไรฉลองหรือเปล่าปักที่แล้วดูพระใหม่ก่อนนะยหลงพี่อามว่มาไงครับนลวงพี่อามหรือเปล่าปักที่แล้วฮะหลวงพี่การใครก็ได้สักคนหนึ่งมามาก่อนสักห้านาทีหรือว่าหมดเวลาแล้ว <c oughs> เอาไว้เป็นพวกนี้ก็ได้เนะนะครับไปเป็นพวกนี้เช้าหรือเปล่าอาจารย์เทศปักหลังนะตัวไม่เอามีโคต้าให้ให้หลายหรูปเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็จะให้หลวงพี่แก้วอะไรพูดบ้างนะพโยมแม่ก็จะกลับก็เดี๋ยวไว้เช้าทันเป่าไม่รู้อาจารย์นะห้านาทีนะหลวงพี่แก้วมาเทศพุทธโยมแม่ฟังแล้วเขามาเมื่อเอ๊ะ ขึ้นมาหรือเปล่าเ น, นี้เพราะว่าท่านเก็บอารมณ์อยู่อีกขอเก็บอารมณ์ต่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตั้งแต่ตอนไม่เก็บอารมณ์แล้วก็เริ่มบบบอยากจะศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของอารมณ์วันนี้ก็ขอขอโอกาสให้หลวงพี่แก้วนะสักห้นาทีเพราะว่าปกติแล้วการบวชของเราจะต้องมีการไปเทศที่บ้านวันนี้ให้เทศบทที่วัดเลยไหนโยมแม่มาแล้วเรียกเป็นอนิสงส์นะร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะนี่มโนมพี่แก้วครับ ก็กราบสวัสดีครับหลวงพี่พระที่บวชก่อนมีอาวุโสภรษาทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนสาธมิก <c oughs> เพื่อนพันเตทั้งหลายก็ตอนที่เริ่มมาบวชเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะบวชส5บ้าวันครับก็บังเอิญที่ตอนที่มาเนี่ยก็มีการเก็บอารมณ์มีพระทางสายที่ศรัทธาแนวทางของหลวงพ่อเทียนนี่ยมา มาร่วมปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้มสี่สิบวันนะช่วงนั้นก็จะได้เรียนรู้อะไรมากครับเพราะว่าก็ปฏิบัติตามเขาไปเลยครับอยู่ที่ที่กุฏิก็จะมีพระมาเก็บอารมณ์ด้วย2รูปมีอะไรก็จะสอบถามสภะะาวธรรมนะครับกับพระนตอนนั้นทีนี้ก็ให้เราประสบการณ์นะรอบเก็บอารมณ์ปักที่ผ่านมาครับเมื่อก่อนเนะี่ย ก็ปฏิบัติแต่ว่ามันมันมันผ่านสภาวะทำมาต่างๆนานาฮะตอนแรกที่มาบวชเนี่ยจะสัญญาเก่าเนี่ยจะดึงมาเยอะมากหมายความว่าก่อนที่เรามาบวชเนี่ยก็ทําธุรกิจออนไลน์หลากหลายมากฮนะก็มันมันจะดึงสัญญาเก่ า, เ ก, าเกี่ยวกับการเทรดสินค้าแล้วก็การดิวกับคนนะฮะมันจะมาแก้ปัญหา แก้ปัญหาว่าเคสนี้เคสนี้ต้องแก้ยังไงยังไงฮะแต่ตอนนั้นอะ่ะรู้เลยอะ่ะเพราะว่าหลังหลังจากหลังจากศึกษาธรรมะแล้วก็พอที่จะได้ปรึกษากอาจารย์กรรมฐานบ้างเนี่ยไอ้พวกนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันดูมันไปคือก็ปกติเนี่ยถ้าเคยมาปฏิบัติเนี่ยจะตัดเลยฮะก็คือพอเข้ามาเขตวัดแล้วจะไม่คิดเรื่องภายนอกเลยฮะ แต่ว่าตอนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนันว่าทําไมรอบนี้มาเยอะอย่างเลยเหมือนมากลัวนเราอะควรเราให้สึกฮะเพราะมันรู้แล้วไงว่าต้องแก้ต้องดิวปัญหายัางไงแต่ก็ก็ไม่ก็อยู่ไปจนได้ทีนี้หลังจากที่เก็บอารมณ์รอบที่แล้วเนะี่ยสิ่งที่มันได้เนะี่ยมันเหมือนเข้ามาสู่อีกโลกนึงเลยฮนะคือมันดิวด้านในมากขึ้นมันเข้ามาสู่ด้านในมากขึ้นก็คือตั้งแต่เล็กๆเกนี่ย เราเป็นคนยังไงมันก็ดึงสัญญากับมองหมดเลยว่าตัวเราตัวเราเองอะเมื่อก่อนเคยเป็นคนเบิกบานยิ้มง่ายยิ้มให้ใครก็ได้ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีแบ่งชนชั้นวันนะสัดหมูหมากาไก่เป็นเพื่อนยิ้มได้หมดเลยแต่ทีนี้ไอ ใ, ในการอยู่กับโลกเนี่ยมันเป็นการอยู่กับโลกสมมุติอย่างพระผู้มีอวสกว่าก็ต้องไหว้โยมเจอพระ ก็ต้องไหวอันนี้มันเป็นสมมุติแต่จริงๆแล้วโลกมันก็ราบเรียบเสมอกันนะคือทุกคนอยู่ในภาค พ, พื้นของการมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพียงแต่ตอนนี้เราต่างบทบาทฐานะทางสมมุตินะฮะก็หลังจากหลังจากผ่านการเก็บอารมณ์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยพบเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะในการมาอยู่ที่เนี่ย และผู้คนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นเหมือนที่พระอาจารย์คำเขียนกล่าวไว้จริงๆครับก็คือไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งมาเพิ่งมาพบกันนะครับก็แค่นี้แหะครับก็มรณาสาธุนะกกันลงปิกแกที่ท่านก็ขอเก็บอารมณ์ต่อก็มีแค่นี้เนาะ วันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาพร้อมกัน